ถวายความครบและแสดงความนับถือแต่ท่านพระเทรานุเถระซึ่งในที่ประชุมนี้มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการหลายระดับด้วยกันมีท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาพรรองเจ้าคณะ ภาคหกวัดนันชีเป็นต้นพร้อมเจ้าคุณจะาคณะจังหวัดหลายจังหวัดรวมทั้งที่สำคัญก็คือเจ้าภาพหลักท่านเจ้าคุณพระราชเขมากรรองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่เจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมทั้งผู้บริหาร ระดับรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยจากหลายวิยาเขตรวมทั้งคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตฝ่ายบรรพชิตทุกรูปและท่านพระเถรานุเถระผู้มาร่วมงานทุกท่านขอเจริญพรญาติโยมฝ่ายครือขัด มีท่านชวส น, นสิรินันพอรอดีตทธิบรีกกรมการปกครองและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านวัฒนาพุทธิชาตินตนพร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแขกผู้มีเกียรติผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตฝ่ายครุษหัด ของมหาวิทยาลัยและญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้มากันพรักพร้อมเป็นมหาสมาคมเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายคณะสงฆ์ได้สลาเวลามาประชุมพร้อมกันณหนะอประชุมแห่งนี้ เพื่อร่วมในพิธีการเฉลิมฉลองหรือจะเรียกว่าสมโพธก็ได้สามสิบปีวิทยาเขตแพร่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวุทยาลัยการฉลองเป็นวาระแห่งความสุขเป็นวาระแห่งความสำเร็จ เมื่อได้เหนื่อยยากได้ทำอะไรมาสำเร็จก็เป็นวาละที่แสดงความยินดีแก่ตนเองพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญบา ร, รมีมาสี่อสงไขยกำไรแสนกับในชาติสุดท้ายก็ออกพนวนบำเพ็ญเพียรหกปีแล้วก็สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่งแรกที่พระองค์ทำก็คือไม่ทำอะไรนั่งใต้ต้นโพเซววิมุตติสุขเหมือนกับฉลองความสำเร็จที่ได้มาถึงจุดสูงสุดของการเป็นพระพุทธเจ้าวันนี้ หรือในสองวันนี้วิทยาเขตแพร่ก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความยินดีกับตนเองและมาลำลึกนึกถึงความเพียรพยายามทั้งหมดในรอบสามสิบปีที่บุรพาจารย์ตั้งแต่ผู้ก่อตั้ง ได้บริหารได้จัดการศึกษาส่งไม้ต่อต่อต่อกันมาและผู้รับไม้ก็ไม่ได้รับไว้เฉยๆวิ่งต่อมาด้วยจนมาถึงเส้นชัยคือวันนี้เป็นผลแห่งความพยายามต่อเนื่องไม่ได้หยุดหย่อนและก็เป็นวาระที่ แสดงความเย็นดีร่วมกันจึงได้นิมนต์และเชิญพระเถรานุเถระญาติโยมทั้งหลายมาร่วมงานนี้และถ้าเป็นวาระแห่งความเย็นดีเขาไม่ทำกันเงียบๆเขาจะประกาศให้คนมาร่วมมุติตาฟรานซิสเบคอนนักปรัชญาคนหนึ่งเขาบอกว่า มิตรภาพเพิ่มความสุขอีกเท่าตัวและลดความเศร้าไปครึ่งหนึ่ง friendship double joy and divide grief into half ยามที่เรามีความสุขเราไม่ได้ ดีใจเงียบๆคนเดียวจัดงานวันเกิดงานฉลองอะไรก็ตามถ้ามีมิตรมาร่วมแสดงความยิน ด, ดีมากๆความสุขมันเพิ่มเป็นเท่าตัวมีใครบ้างไหมที่จัดงานวันเกิดสั่งโต๊ะจีนมาแล้วนั่งรับประทานอยู่คนเดียวมันไม่มีความสุขหรอก ในยามที่เราเศร้าเรายามที่สูญเสียอยู่คนเดียวมันก็จะเงียบเหงายิ่งอยากจะทำร้ายตัวเองแต่ถ้ามีคนมาร่วงแสดงความเศร้าเสียใจมาปลอบใจความเศร้ามาลดลงนี่คือความสำคัญของแขกที่มาร่วม ง, งานวันนี้ ทำให้ชาววิทยาเขตแพร่มีความสุขเป็นหลายเท่าปลื้มใจดีใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เป็นวาระที่จะได้นึกทบทวนว่าเรามีวันนี้เพราะอะไรเมื่อเปิดหอประชุม โนโมินธราชูทิศโกสายนาครเนี่ยเดินเข้ามาตรงนี้ก็ได้ถวายสการะแด่องค์ผู้ก่อตั้งวิทยาเขตแพร่เป็นรูปเคารพของหลวง ป, ปู่พระมหาโพธิวงศ์าจารยร์หลวง ป, ปู่สุจีเราเข้ามาที่นี่เรานึกถึงพระคุณของท่านถ้าไม่มีพระเดชพระคุณท่าน ก็คงไม่มีที่ตรงนี้ไม่รู้จะมีวิยเขตแพร่หรือเปล่าโบราณเขาบอกว่าดื่มน้ำให้นึกถึงคนขุดบ่อทานผลไม้ให้นึกถึงคนปลูกต้นไม้คนที่เพา ะ, มะเมล็ดคนแรกคือหลวงปู่มหาโทีิวงศาจานร์แล้วท่านก็ ให้พวกเรามาช่วยกันลดน้ำพรวดดินใส่ปุย๋ยจนเติบใหญ่มาถึงวันนี้และที่เติบใหญ่มาถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะในฝ่ายพระสงฆ์ขรรชญาดยมช่วยกันหมดคนละไม้คนละมือทั้งในฐานะผู้ร่วมกันอุปถัมภ์บำรุงผู้บริหารผู้สอนและผู้เรียน จึงกล่าวไม่ได้ว่าวิทยาเขตแพร่นี่ได้อาศัยใบบุญของใครเป็นหลักเป็นพระกี่เปอร์เซ็นเป็นโยมกี่เปอร์เซ็นเป็นส่วนราชการเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนทุกไม้ทุกมือนี่มาช่วยกันประคับประคองถ้าเราบอกว่าที่เรามีวันนี้ เป็นเพราะฝ่ายนั้นกี่ส่วนเท่านั้นส่วนก็ประมาณอย่างนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องสมัยนี้เขาชูนโยบายบวรกันทั่วประเทศในยุค ป, ประชารัฐบอก็คือบ้านวอก็คือวัดรอรก็คือราชการหรือโรงเรียน สามประสานเข้าด้วยกันเนี่ยมาเป็นวิทยาเขตแพร่ญาติโยมชาวบ้านตั้งแต่เรื่องที่ดินเรื่องบริจาคเรื่องอะไรต่างเนี่ยรวมถึงในส่วนผู้แทนทั้งหลายได้เข้ามาโอบอุ้มตั้งแต่ต้นตั้งแต่ยังมีหกเจ็ดไร่จนขยายมาปัจจุบัน วัดตั้งแต่วัดพระบาทมิ่งเมืองวัดคณะสงฆ์ต่างๆทั้งหมดที่ร่วมกันเห็นชอบซึ่งรวมถึงตัวมหาวิทยาลัยสงฆ์ด้วยในส่วนกลางก็ร่วมกันช่วยกันงบประมาณไม่ใช่มาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์มาจากรัฐบาลราชการมาจากนายกอบอจอมาจากท่านผู้ว่ามาจากงบบริจาครวมกันแล้วเนี่ยมาเป็นวิทยาเขตแห่งนี้ ลงทุนร่วมกันและถ้าจะถามว่าเป็นของฝ่ายไหนกี่ส่วนกี่ส่วนตอบไม่ได้พระอานน์นเคยไปเฝ้าถามพระพุทธเจ้าว่าพวกเราเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นมานี่พึ่งพาคนอื่นกี่เปอร์เซ็นต์ พึ่งตนเองกี่เปอร์เซ็นต์เวลาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้ก้าวหน้าพระอานนท์ท่านก็นคิดเอาเองว่าเราจะเจริญในทางธรรมเนี่ยคงพึ่งตัวเองครึ่งหนึ่งพึ่งครูบาอาจารย์ครึ่งหนึ่งนิสิตก็มีสิทธิ์คิดนะ ที่ท่านเรียนจบมหาวิเลยกันต่อไปเป็นพทบพทมเนี่ยท่านก็มีสิทธ์บอกว่าพึ่งอาจารย์ครึ่งหนึ่งอาจารย์รวมถึงผู้บริหารญาติโยมผู้ประถมครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งพึ่งตัวเองเราขยันเราจึงเรียนจบท่านมีสิทธิ์คิดคิดเหมือนพระ อ, อ น, นุ พระ อ, อ น, นุนก็บอกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากตัวเราอีกครึ่งหนึ่งมาจากคนอื่นอุปัฏฐมิทังพันเตเนี่ยพรหม จ, จริยสัยทางกรารณนิมิตต่างพระ อ, อ น, นุนกราบถุนพระเจ้าว่าความมีมิตร ด, ดีสหายดีพวกดีเนี่ยเป็นค ร, ครึ่งหนึ่งของชีวิตพรหมจักรรวมถึงการศึกษาเ่าเรียนครึ่งหนึ่งมาจากเพียรความเพียรพยายามของเรา อีกครื่งหนึ่งมาจากผู้ประถมครูบาอาจารย์อะไรต่างทั้งหลายพระรพุทธเจ้าตอบว่าไงรู้พุทธเจา้าตอบว่าอย่าพูดอย่างนั้นอนตสากระเมวะหิทางอานันทะพรห ม, มจริยังกัลยาณมิตรเนี่ยกัลยาณสหายเนี่ยเป็นเนื้อเป็นตัวทั้งหมดของาศาสนา ของพรมจรรย์ถ้าไม่มีกรราเลนามิตอย่าหวังว่าเราจะได้เข้าถึงทางธรรมเพราะฉะนั้นกรราเลนามิตคือครูบาอาจารย์ผู้ประถมทั้งหมดนี่แหละสำคัญทั้งหมดพระอะพระสารีบุตรต่อให้เก่งเท่าเก่ง ก็บรรลุธรรมเองไม่ได้ต้องฟันธรรมะจากพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระอระหันต์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นอาลยานมิตรพระสารีบุตรกไ็ไม่บรรลุพระโมคขลานและรุน่นต่อมาจนถึงพวกเราเนี่ยก็ไม่สําเร็จาศาสนาไม่มาถึงพวกเราหรอกกาลยาณมิตร ทำให้ศาสนาเนี่ยสืบท อ, อดมาถึงพวกเราเพราะฉะนั้นคำว่ากัลายาณมิตรอันหมายถึงผู้มีส่วนช่วยเหลือเราทั้งหมดนี่แหละแยกไม่ออกเหมือนอะไรเราเกิดมานี่เราแบ่งได้ไหมว่าเราได้จากพ่อกี่เปอร์เซนต์แม่กี่เปอร์เซนต์บอกได้ไหมว่าที่เราสำเร็จเรียนจบกันมานี่ เป็นความพยายามของเรากี่เปอร์เซ็นต์ของครูบาอาจารย์กี่เปอร์เซ็นต์มีใครไม่ต้องพึ่งใครอื่นบ้างวิทยาเขตแพร่มีวันนี้ไม่ต้องไปบอกว่ามาจากหลวงปู่สุจีเท่าไรผู้ว่าในอดีตเท่าไรรองอธิการบดีเท่าไรมันรวมกันหมดนั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละทําให้มีวันนี้และทุกคนสําคัญทุกคนมีส่วนช่วยกันสร้างวิทยาเขตแห่งนี้ มีสิทธิ์ที่จะดีใจฉลองกับตัวเองและมีสิทธิ์ภาคภูมิใจหอประชุมนี้มันไม่ได้เกิดมาจากเสาอย่างเดียวไม่ได้เกิดมาจากเหล็กอย่างเดียวไม่ได้เกิดมาจากอิฐดินทรายทุกอย่างสำคัญหมดแม้แต่ทรายมเมล็ดเดียวรวมกันเป็นหอประชุมหอประชุมและอาคารอื่นรวมกันเป็นวิเขตทั้งคนทั้งแรงต่างนี่แหละ วิทยเขตแพร่มาจากทุกส่วนเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่แหละคือการประชุมของผู้ลงขันร่วมมือร่วมแรงทั้งผู้สอนผู้เรียนมาเป็นวิทยเขตอังคารกะเลยนะพง์จึงประพันเอาไว้ว่าโลกนี้มิอยู่ได้มิอยู่ด้วยมะนีเดียวนา โลกนี้มีอยู่ด้วยมณีเดียวนาทายและสิ่งอื่นมีส่วนสร้างปวงท่าต่ากลางดีดุลยภาพภาคจักระพานมิ ร, ารา้านเพราะน้ำแรงไหนวิยาเขตไม่ได้อยู่ด้วยมณีเดียวผู้บริหารรูปเดียวคนคนเดียวลุกปู่องเดียวมันรวมกันหมดนัแหละ เราทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของทั้งผู้ให้ผู้รับผู้เรียนผู้สอนสำคัญหมดและเราก็เป็นองคาพยพหนึ่งของาศาสนาองคาพยพหนึ่งของประเทศเมื่อมองวิทยาเขตแพร่อย่างนี้เราจะไม่มองแยกจากบริบทคอนเทกซ์ context, สิ่งแวดล้อมในประวัติศาสตร์ และในสังคมเราเหลียวหลังกลับไปสามสิบปีใครบ้างที่พาให้เรามาถึงวันนี้และเราจะต้องทำอะไรบ้างที่จะมุ่งหน้าต่อไปในอนาคตนั่นแหละที่ทำให้ต้องมาพูดกันตรงนี้เราจะไปทางไหนไปพร้อมๆกันทั้งประเทศ ประเทศไทยตอนนี้มีนโยบายขับเคลื่อนเรียกว่าไทยแลนด์ 4.0 มาจากการที่ธนาคารโลกได้ประกาศยกระดับประเทศไทยในปี2554ให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง upper middle income country 6ปีมาแล้ว และรัฐบาลไม่ว่าจะตอนไหนตอนนี้ทำแผน20สิปีเลยเพื่อที่จะยกประเทศไทยให้ไปอยู่ระดับหนึ่งของโลกการที่เรามาอยู่ในกลุ่มรายได้ปลายระดับสูงเรอยู่อันดับสองนะธนาคารโลกแบ่งประเทศในโลกนี้เป็นสี่กลุ่มเราอยู่อันดับสองขึ้นมาจากอันดับสา และประเทศไทยเนี่ยวางแผน20ปีข้างหน้าเนี่ยเพื่อที่จะไปอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งให้ได้กลุ่มที่หนึ่งคืออะไรคือกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง high income country อย่างสหรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ตอนนี้เรายังเป็นรองเขาเราอยู่แค่อันดับสองอยู่ในกลุ่มจีนและเซียมาเลเซีย20ปีข้างหน้าเนี่ย เรามีสิทธิ์ที่จะไปถึงดวงดาวหรือไม่เราผ่านมาจากกลุ่มที่สามมีรายได้ปานกลางระดับล่างในกลุ่มเวียดนามสีลังกาอินเดียกลุ่มสุดท้ายรายได้ต่ำเช่นเนปาลเกาหลีเหนืออักานิสถานเนเธอร์แลนดเราผ่านมาสองขั้นน่้วมาอยู่ขั้นที่เรียกว่าขั้นที่สองพน่ผ่านจากสี่สา ม, ส, ามสอง จะไปถึงหนึ่งการจะไปถึงหนึ่งนี้รัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายเรียกว่าไ h a แล a ด์ 4.0 4.0 หมายความว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมันเริ่มมาจาก 1.0 อันนี้เราแบ่งเราเองในประเทศไทยนะธนาคารโลกไปเกี่ยว 1.0 ก็หมายความว่าประเทศไทยเคยพึ่งพารายได้าจากเกษตรกรรม ่าวนาเป็นกระดูกสลังของชาติต่อมาประเทศไทยอยากขยับขึ้นเป็น 2.0 ศนคือมีอุตสาหกรรมเบาทอเสื้อผ้าทำรองเท้าทำกเกษตรอุตสาหกรรมสับประรดกระป๋องส่งออกปัจจุบันเรามาเป็นสามจุดศูนแล้วอุตสาหกรรมหนักเราผลิตรถยนต์เรามีโรงแรมใหญ่ๆแบ่งรายได้ประเทศไทยเป็นสามส่วนและไม่ต้องมาบอกว่าส่วนไหนสาคัญนะ ส่วนที่หนึ่งภาคเกษตรทำนาทำไร่ส่วนที่สองอุตสาหกรรมเช่นผลิตรถยนต์ส่วนที่สามภาคการท่องเที่ยวอย่างจังหวัดแพร่เนี่มีชื่อในเรื่องป่าไม้การท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งประเทศเนี่ยมันจะมีรายได้อย่างนี้ทีนี้เมื่อ เรามาอยู่ณจุดนี้เนี่ยไม่มีทางถ้าเรายังอยู่อย่างทุกวันนี้เราไม่มีทางขึ้นไปอันดับหนึ่งได้ไม่สามารถจะเป็นประเทศที่มีรายได้และรายได้สูงได้เพราะอะไรเพราะเรามาถึงทางตันเป็นถนนก็คือสะพานมันขาดตกสะพานเหตุที่ตกก็ดูจากที่เราเคยพัฒนามาในรอบห้าสิบปีเนี่ย พอปี 4.0 ลดตกมาเลยค่าเงินบาทลดลงหลังอย่างนั้นเศรษฐกิจของเราก็โตปีละ 2-3 เอร์เซนมันไม่สามารถจะกลับไปเหมือนเดิมได้อีกถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างคำว่าทำอะไรสักอย่างก็คือพัฒนาประเทศในรูปแบบที่เรียกว่าไทแลนด์ 4.0 3.0 ไม่ได้ละ ไทยแลนด 4.0 สรุปว่าอย่างนี้ปัจจุบัน 3.0 เราทำงานหนักหนักแต่ได้เงินน้อย m o v for e s t ทำงานหนักแต่ได้เงินน้อยเช่นอะไรเราผลิตรถยนต์แต่ถามว่าเวลาขายได้หนึ่งคันเนี่ยเจ้าของยี่ห้อเขาประเทศเขาเอาไปกระโดดคนไทยกินรับค่าจ้างงานหนัก ได้เอินน้อยเพราะเราไม่ใช่ผู้ประกอบการในจังหวัดของเรามีโรงแรมใหญ่ๆแต่ขอโทษชื่อต่างประเทศแขกมาพักเงินเป็นของใครเราก็เป็นจบมหาจุฬาไปก็ไปเป็นลูกจ้างเขาเมื่อไรจะจะเป็นเจ้าของโรงแรมเจ้าของกิจการเองถ้าท่านเป็นลูกวัดขอโทษ สวดแทบตายมันก็อย่างนั้นเนี่ยสู้เป็นจเจ้าวาดไม่ได้ท่านจบมหาจจริญแล้วหาทางเป็นจเจ้าวาดซะนั่นแหละไทยแลนด์สี่จุดศูนถ้าท่านยังเป็นลูกวัดอยู่นะแทบตายมันก็สามจุดศูนท่านผมรู้ดีผมเป็นจเจ้าวาด อยากจะทำงานแบบ l e ฟ s f o ม m a l งานเบาแต่ได้เงินเยอะใช้สมองได้ยินอาจารย์ที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้ารักกับฝังเล่าให้ฟังที่กรุงเทพสอนนิสิตในคณะวิศวะนิสิตปีหนึ่งมันมีไรายได้ขายตรงนะไม่รู้มันทำอะไรขายตรงเนี่ยเ e l i v e อ y เองเนี่ย เดือนละห้ามืนบาทไอเราสอนแทบตายยังไม่ได้เท่ามันเลยจะเกษียณอยู่แล้วเด็กรุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยี Technology, ท่านนีไอทขายตรงมีนวัตกรรมไอของที่ขายเนี่ยต้องเป็นอ n n o v a t i o n เป็นนวัตกรรมต้องมีอะไรใหม่ๆ่ ถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆนะถ้าก็อยู่แค่นั้นแหละและนี่คือสิ่งที่เราพูดถึงมอจรอมอจรอในยุคต่อไปนี้วิทยาเขตแพร่ด้วยต้องมีนวัตกรรมต้องมีอะไรใหม่ๆนิสิตที่จบไปเนี่ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้ทําอะไรก็ได้แต่ต้องมีนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีมิฉะนั้นเราก็รับจ้างเขาอย่อยางนั้นแหะ โมฟอเลสเหนื่อยแทบตายแต่ได้เงินนิดเดียว <c oughs> เพื่อให้เข้าใจประเด็นนี้ขอพูดถึงมหาจุฬาแล้วก็จะมาถึงวิยาเขตแล้วแบ่งมหาจุฬาออกเป็นสี่ยุคเหมือนกันถามว่าใครแบ่งอธิการเออเป็นอธิการทำไมจะแบ่งไม่ได้มเจโลหนึ่งจุดศูนย์ ยุคราชวิทยาลัยปี 2,3430 ราชการที่5ตั้งมหาจุฬาที่วัดมห า, าธาตุเป็นมห า, าธาตุวิทยาลัยแล้ว 2,439 เปลี่ยนนามใหม่เป็นมหาจุฬาลกราววิทยดีลยวขอดูก่อนมันมีให้ดูบอ่านี่ดูนี้กันแล้วกันสถาปนาขึ้นมาที่วัดมห า, าธาตุแล้วก็เปิดเรียนปี32 2432 เปียนนามจากมหาธาตุวิไลัยเป็นมหาจุฬาลงกรณ์และวิัยโดยราชการที่ห้าในปี2439เพื่อให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงเรียนทางโลกและทางธรรมปรากฏว่าพระตามไม่ทันในหลวงราชการที่หสอนแต่ทางธรรมสอนแต่บาลีอยู่60ปีไม่ได้สอนวิชาสมัยใหม่เลยอยู่ที่วัดมหาธาตุ เราจึงเรียกยุคนี้ว่ายุคราชวิทยาลัยที่ในหลวมตั้งขึ้นมาแต่เรียนบาลีจนหกสิปีผ่านไปจึงถึงยุคมจรอสองจุดสูนผ่านไปแล้วห0สิบปีนะสอง0เปิดเรียนวิชาสมัยใหม่คู่กับวิชา ท, างทังธรรมในรูปแบบมหาวิทยาลัยสมปัจจุบันเนี่ย คณะแรกที่เปิดคือคณะพุทธศาสตร์2 4 9 0กนับมาปี60นี่ก็คือ70ปีแล้วแต่ลืมฉลองจัดกันเองกันล้วกันมัวแต่ไปฉลองวิยาเขตแพร่วิยาเขตอุบลอยู่ 2,500 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใช้ระบบโดยกิจ มหาจุฬาเนี่ยทำาน่วยกิจไม่คิดเป็นเปอร์เซนต์นละเราให้อาจารย์จากมูลิตี้เอเชียนะมาช่วยทำให้ยังมีเอกสารหลักฐานอยู่ 2,512 มหาเถรสมาคมรับรองมหาจุฬาเป็นมหาวิทยาลัยสงแห่งคณะสงฆ์ไทยโดยคำสั่งมหาเถรสมาคมและเราก็เป็นมหาวิทยาลัยสงคือดีกรีไม่ได้รับการรับรองปริญญาไม่ได้รับการรับรอง ตั้งแต่ 9.0 มาถึง 12.20 กว่าจะรับรองปีไหนยุค 3.0 ผู้พูดดิจบมหาจุฬาในยุค 2.0 ปริญญารัฐบาลไม่รับรองที่นั่งงกันหลายๆท่านเนี่ยเรียนไปแล้วเขาไม่รับรองดีกรีนะในยุคนี้เนะี่ย 2.0 เนี่ยปริญญาไม่มีศักดิ์และสิทธิ์นะ เรียนกันหัวปลงกว่าจะมารับรองนี่รับรองในยุค 3.0 คือ 2,527 มีพรบรับรบองปริญญาเขาเรียกกาหนดวิทยฐานนะผู้สำเร็จการศึกษาพุทาสนารับรองแต่ปริญญาไม่รับรองมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็ผลิตบัณฑิตออกมาเหมือนกับจปรทุกวันนี้ผลิตออกมาแล้วเขารับรองปริญญาให้ แต่ไม่รับรองตัวสถาบัติในปี27เอ๋ปริญญาตรีเขารับรองรับรองประโยค9ด้วยท่านสังเกตปี27ให้ดีพอมหาจุฬาเข้าสู่ยุค 3.0 มีพบรบในปี27ทั่วประเทศขอเปิดเป็นสาขามหาจุฬาซึ่งตอนหลังเรกวิยาเขตปี29หลวงปู่สุจีเริ่มแล้ว เมื่อกี้รายงานจากท่านเจ้าคุณราษฎรปีสามศูนย์มหาจุลาตอนนั้นเรียกว่ามีศัก์และสิทธิและบปริญญาเนี่ยรัฐบาลรับรองเราจึงมาเปิดวิทยาเขตแพร่ขึ้นตรงนี้ในยุคสามจดศนในประวัติศาสตร์ที่ท่านเริ่มจากตรงนี้มหาจุลากลายเป็นมหาวิลลยของรัฐมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลเหมือนจุลาเหมือนธรรมศาสตร์ทุกวันนี้ ในปี 2,540 มีพรลบมหาวิลลยมหาจรารยาลูกกแลวิเลยในยุคนี้เรามีวิทยาเขตครบสิบแห่งตั้งแต่27มานี่นะมีวิทยาลัยสงฆ์มีห้องเรียนและหน่วยเว็บบริการทราบไหมปัจจุบันนี้เรามีวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ห้องเรียนเวกัน40จังหวัด ประเทศไทยเนี่ยเกินครึ่งนะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าจะเจอมหาจิทยาไม่อดเพนหล อ, อกล่าเนี่ยแวะฉันได้โยมก็พอได้บ้างเป็นลูกศิษย์สี่สิบกว่าจังหวัดนะมีสาขามหาจิทยาหมดเลยและถามว่าทำไมมันเยอะเยอะที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพราะเราตั้งมาก่อนตั้งแต่สมัยปีสองามนสองเจ็ดมาจนกระทั่ง4ี0่0ห้าจนกระทั่งสกอสออนะสำนักงานคณะกรรมการโรวศึกษเนี่ยประเมินคุณภาพในยุคนั้นนี่ทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยมาเปิดที่แพร่ทุกมหาวิทยาลัยไปเปิดที่จังหวัดต่างๆเหมือนมาหาจุฬาเนี่ยแต่ขอโทษที่อื่นโดนปิดไปหมดเพราะไปเปิดตัปํา ไปเปิดตําปั๊มมางไปเช่าครับ้างแต่มหาจุฬาเล่นตัวใครจะมาเป็นสาขาเมื่อต้องสร้างตึกใหญ่ๆก่อนลงทุนก่อนเหมือนกับเราจะมาเปิดที่นี่เนี่ยพระบาทมเมืองต้องทำอะไรก่อนที่ลําพูนก็เหมือนกันที่ไหนก็เหมือนกันเราจะมีเกณฑ์ว่าเราไม่ใจง่ายนะมหาจุฬาเนี่ยไม่ใช่เขาชวนเข้าปั๊มไปเปิดในปัม๊มไม่ เราจะมีเกณฑ์มาตรฐานว่าคุณต้องมีห้องเรียนนะมีห้องสมุดนะมีอาจารย์นะมีไอทีนะมีทุกจังหวัดเลยแล้วทั่วประเทศเนี่ยพร้อมที่จะบริจาคสร้างกันไอคำว่าบวอนี่แหละซึ่งมหาวิทยาลัยชาวบ้านทำไม่ได้แต่บอกจะเปิดการศึกษาให้พระเนี่ยเขามาช่วยกันใหญ่ในที่สุดทุกแห่งเ0จังหวัดนี่เรามีเขาเรียกว่า เสนาสนะส ป, ปายะอะไรปุคละส ป, ปายะหมดทุกอย่างวิเชลัยบางแห่งนะมีที่ดินมากกว่าเราเอีกที่พิษุโลโลกนี้มีห้าร้อยไร่ติดสนามบินนึงเชียงใหม่ที่จะเกิดทีหลังได้มาเ0้าร้อยไร่นะใจขอไม่แบ่งให้แพร่เลยนะเห็นไหม แต่ละแห่งแต่ละที่นี่จะมีบวอร์เนี่ยช่วยกันสนับสนุนในยุค 3.0 เราจะเป็น 3.0 ต่อไปได้ไหมไม่ได้เราต้องมีนวัตกรรมนวัตกรรมคืออะไรสมมตินะมหาจุฬาเนี่ย มีพรลบก็ช้าปี40แล้วเรายังจะไปต้องเปิดเรียนเปิดสอนเหมือนมอหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทยต่อแตะต่อแตะไปเนี่ยท่านเมื่อไรจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับประเทศเมื่อไรจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกกว่าเราจะแทรกขึ้นมาในระดับประเทศเนี่ยมันไม่มีพื้นที่เลยนะแต่กลายเป็นว่าเรามีนวัตกรรั พอมีนวัตรกรรมนี่มหาจุฬามันเบียดแซงขึ้นระดับประเทศไปโดยง่ายแล้วไประดับอินเตอร์ไปแล้วนี่คือนวัตรกรรมท่านถ้าเรายังเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในวัดวัดมหาธาตุเนี่ยชาติหน้าตอนใบบ่ายก็ไม่มาถึงวันนี้ถ้าวิยาเขตแพร่ยังบริหารแบบมหาวิทยาลัยของวัดวัดอยู่ไม่มีนวัตรกรรมมันก็ไม่มีวันนี้ถ้าลองคิดดูอ่ะ เราจะขึ้นมาในยุคปัจจุบันนี้เราต้องมี น, นวัตกรรมอะไรบ้างอขอยกตัวอย่างเอาในยุค 3.0 ก่อนปี30จัดตั้งวิทยาเขตแพร่เปิดสอนในคณะครุศาสตร์เป็นคณะแรกที่วัดพระบาทมิ่งเมืองให้ความรู้ทั้งทางธรรมและทางโลกควบคู่กันไปอันนี้ในเอกสารท่านสังเกตไหม ทำไมจึงใช้ประโยคนี้เพราะว่าที่วัดพระบาทเมืองมีโรงเรียนพระพิธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดมาเป็นแห่งแรกๆในประเทศไทยในปี 2,117 แต่ขอโทษใครรู้จักโรงเรียนพระพิธรรมแผนกสามัญบ้างจนบัดนี้ยังเป็นโรงเรียนวัดๆอยู่มันไม่มีนวัตกรรม ไม่มีนวัตกรรมที่จะชวนให้เด็กทั้งหลายอยากบวชอยากเรียนในที่สุดเป็นยังไงอยู่ในแดนที่คนไม่รู้จักขึ้นมาเทียบกับโรงเรียนระดับแนวหน้าในจังหวัดก็ยังไม่ได้เลยและย่าว่าถึงถึงประเทศเลยพระเยรัมเสาสัมาันศึกษานี่มหาจุฬาถ้าเราดำเนินนโยบายแบบเดียวอยู่ในวัดมหาธาตุมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละท่านแต่ปี40เนี่ยเรามีนโยบายที่เป็นนวัตกรรมมากมายเลยเราจึงแซง ไปทั่วหมดแล้วและถ้ารุ่นต่อๆไปไม่มีนวัตรกรรมอยู่เป็นสี่สิ้าสบปีนะเหมือนวิยาเขตแพร่เนี่ยตอนนู้นถืว่าตอนนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วเรามาพอใจแก่นี้คนอื่นก็แซงเราไปหมดแต่อย่างไรก็ตามมาถึงจุดนี้ได้เราก็ต้องขอบพระคุณหลวงพ่อพระมหาโพธิวงศ์สาจาร์รองอธิการบดีรูปแรกของวิยาเขตรองอธิการบดีรูปต่อๆมาท่านพระปัญญากรกวีท่านพระครูโสพลพัฒนายุธ ดื่มน้ำให้นึกถึงคนขุดบอกทานผลไม้ให้นึกถึงคนปลูกต้นไม้และเราก็มาเข้ายุค 4.0 ของวิยาเขตเนี่ยใน 3.0 ได้เตรียมเมื่อมีพบรบปี 4.0 เราเป็นนิติบุคคลเป็นเจ้าของที่ดินได้มหาจุฬาออกไปสร้าง นอกวัดกันเพียบเลยตอนในยุคนี้ตั้งแต่4 0์ขึ้นมาทั้งลำพูนทั้งที่ไหนก็ตามทั้งวัดนับดูนะหลังจากเป็นนิติบุคคลทั้งสิ้นนี่คือนวัตรกรรมก็คือเราจะไม่อยู่แต่ในจุดเดียวลหละเราจะออกไปสร้างอาณาจักรของเรามหาจุฬาที่สวนตลางก็ไปสร้างอาณาจักรปีสี่ห้าจึงมาตรงนี้หกไร่ ได้อาคารมาหนึ่งหลังโดยท่านนายกบจให้ตอนนั้นที่การบดีมาปาตกถาภดาียังได้ได้ไดกราบหลวงปู่มหาโพธิวงศอาจาย์และเราก็เติบโตมาจนวันนี้จากปีสี่ห้าแต่มหาจุฬามันต้องก้าวต่อไปสู่ยุคสี่จุดศูนความเป็นสถาบันนานาชาติเมื่อกี้ได้รับรายงานว่าที่นี่ก็มีนักศึกษาต่างประเทศ 4.0 เริ่มจากอะไรเริ่มในปี2550เราได้กำหนดวิสัยทัศน์และก็ปรัชญาของมหาจุฬาเป็นละลักสอนในแผน5ปีของเราโดยเขียนว่ามหาจุฬาจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาระดับนานาชาติอยู่ในถ้าถ้าไปดูแผน5ปีมันเริ่มจากปี50มาจนปัจจุบันนี้เราจะต้องเป็นมหาวิเลย พุ้สนัสนานชาติเรากำหนดปรัชญายมหาจุฬาไว้อย่างไงจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกษัตริยสมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมเริ่มจากปีห้าศูนเริ่มเป็นนานาชาติแล้วในยุคนานาชาตินี้มหาจุฬาเป็นสำนักงานของสภาสากลวิสาขาบูชาโลก มหาจุลาเป็นสำนักงานใหญ่อธิการบรดีเป็นประธานสภาสังกสนวิสาขาบูชาโลกมี iabu icdv ib ก็คือสภาสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธนาน า, นานชาติเราเป็นในปีนั้นย้ายจากวัดมหาธาตุมาอยู่ที่วังน้อยในปี5้าในพื้นที่300กว่าไร่ก่อสร้าง ibsc international buddhist study college ตั้งแต่ปี5้าถึงปี16ห เป็นวิทยาลัยพุาสนานานาชาติปี556ตั้งสถาบันภาษาวิทยาลัยพุสธานาชาติอาเซียนศึกษาวิทยาลัยพระธรรมชุตโกอเตอร์เท่านั้นเลยรองรับเอาไว้และในปี56สภาสากลวิสาขาบูชาโลกเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของสหประชาชาติอันนี้แหละที่ว่าไซคโค้งอะ มหาวิเลยไหนบ้างได้ไปทำงานกับยูเอนี่ยเดือนนี่ไม่ใช่เดือนนะเมื่อสัปดาห์เมือม่อเมื่อสิบวันที่แล้วนี่ยังไปเดิอนอยู่ที่ u ูเ็นนะนี่ยใครจะเข้าออกสารารณชาติูโอ้โ ห, โโหตัวยิบยับยิบยับแต่อธิการบดีมีบัตรเดินเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้พระในประเทศไทยมีทำได้ไหมต้องอธิการมดเจรอเท่านั้น จับปืนกับยูเอแล้วครับนี่คือนวัตกรรมครับถ้าเรามั่แต่เต๊ะแต๊ะเต๊ะสอนอยู่นะมันไม่ได้โกอินเตอร์ไประดับยูเอ็นหรอกนั่นแล้วทั่วโลกก็จะมุ่งมาพอเราทํางานกับยนะูเอ็นมหาวิทยาลัยพุทธนาทั่วโลกมุ่งมาที่เราแล้วถนนทุกสายมาที่นี่เพราะคุณทํางานระดับโลกนี่คือความเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติซึ่งเราเริ่มมาตั้งแต่ตปี 50, 50. จัดพิมพ์พระไตรปิฎกนานาชาติฉบับสากลขึ้นมาสำเร็จท ร, รมาเจ็ดปีปีนี้สำเร็จแล้วสุรพัตเอามาหน่อยได้จะโฆษณาภาษาอังกฤษนะรวมพระไตรปิฎกของเทรวาตมหายานวัชรยานอยู่ในเล่มเดียวกันป ร, ประเทศไหนก็ทำไม่ได้เพราะมันแข่งกันกลัวจะไปขาย แต่นี่นักปลาทั่วโลกยอมมหาจุฬาทำสำเร็จออกมานี่เป็นภาษาอังกฤษใช้เวลาทำเจ็ดปีไอเขาเรียก CBT เปิดตัวในงานวิสาขะที่ผ่านมาไปทั่วโลกแล้วนี่จีนกำลังแปลเป็นภาษาจีนแปลเป็นภาษาอาหรับ มหาจุาราฯแปลภาษาไทยจะวางทุกโรงแรมทั่วโลกเพราะมีทั้งเถรวาทมหายานมจริยานเป็นแปลจากต้นฉบับภาษาบาลีภาษาจีนภาษาทิเบตเป็นภาษาอังกฤษเราทำอย่างนี้มันถึงได้นวัตกรรมแตไม่มีใครทำพอเราทำเสร็จแล้วคนนึกได้ทำไมเขาไม่ทำกั น, น, นช้าไปแล้วลิขสิทธิ์ ม, ม, มจลแล้วลวงพิมพมหาจุฬาฯอยู่ตรงนี้ ร พ, รพระพรมบดิตเป็นประธานาบรรณาธิการนักปราศทั่วโลกมาร่วมกันเป็นทีมเป็นภาษาอังกฤษนะใครยางอ่านนะเรียนภาษาอังกฤษเข้าอันนี้คือที่ดินมหาจุฬาที่ส่วนกลางนะขอประชุมนี้จจู่ผู้เรียนเอไอาคารเรียนรวมนี่เป็นหมื่นที่ดินที่ว่างอยู่เนี่ยแหละคือวิทยาลัยนานาชาติที่เราเห็นเนี่ยนะ นี่คือผังตรงนี้วิลัยนานาชาติตอนนี้สร้างแล้วทั้งหอพักทั้งอะไรต่างๆนี่ถวายพระตไตรปิฎกสังฆราชกัมพูชา ท, ที่สีลังกานี่ประทานบุฒิสีลังการับพระตไตรปิฎกเล่มนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นในยุคสี่จศูนย์มันเป็นยุคที่ท่านเจ้าคุณพระราชเคมากรในวียดเตนี้เป็นรองทการบดีเปิดสอนมรตรตีสี่สาขา ปริญาโทแล้วก็เปิดปบสปส ส, ส, สนี่คือสถานะปัจจุบันคำถามเราจะมีนวัตกรรมต่อไปอะไรบ้างเหลือห้านาทีจบเดี๋ยวตกเครื่องบิดยังไม่ได้ข้าหนวัตกรรมเลยนวัตกรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าเราประดิษฐ์สิ่งใหม่นะเราเอาสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมาทำยำใหญ่ให้มันดีกว่าเก่า เช่นหลักสูตรใหม่ๆคุณสตีฟจ็อบส์นี่ไม่ได้ประดิษฐ์โทรศัพท์ไม่ได้ประดิษฐ์กล้องไม่ได้ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ไม่ได้ประดิษฐ์ อ, อ, อินเทอร์เน็ตหรือเทปแต่แกเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมารวมเป็น iPhone iPad เราเรียกอินโนเวเตอร์นวัตกรเพราะฉะนั้นนิสิต ท, ทั้งหลายเราจะเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยเราดูสิ่งที่มีอยู่แล้วเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยมาทาขาย โดยนวัตกรรมนั้นจะต้องมีว่าไอ้สินที่เราจะขายเนี่ยตลาดต้องการไหมมีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยเรามีตลาดไปวางที่ไหนนวัตกรรมมีสี่ประเภทผมขอฝากวิยาเขตไว้หนึ่งด้านผลผลิตเราจะมีวิชาเอกสาขาอะไรที่มันสอดคล้องกับท้องถิ่นไหมเมื่อกี้เนี่ยทางทางหน้านเนี่ยนะเอาหลักสูตร แพทย์แผนไทยมาให้ผมดูชอบใจจังเป็นประกาศนียบัตรนะแล้วยังมีพุทธกเกษตรอีกนี่อะไรผมเรียกนวัตกรรมเอานิสิตเนี่ยลงทำนาหนีนามาแล้วจะมาเจอที่วัดนี่แหละ <c oughs> นวัตกรรมที่ส่วนกลางเขาทำสำเร็จเนี่ยก็คือพุทธจิตริยาและชีวิตและความตายปริญญาโทเนี่ยนั่นคือนวัตกรรมไม่มีเวลาที่จะพูดละ process innovation นวัตกรรมด้านกระบวนการทำยังไงที่มันจะเรียนได้มีคุณภาพโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามากยกตัวอย่างเรามีครูบาอาจารย์กันสี่สิบจังหวัดเก่งๆเนี่ยคนไหนเก่งเนี่ยให้สอนทางทางออนไลน์ได้ไหมสอนทางไกลได้ไหมมันจะได้อาจารย์เก่งๆเนี่ยสอนพวกเราทุกคนไม่ใช่ว่าจะต้องมาเรียนกันหูจ้างอาจารย์กันแพงๆ กำหนดเวลามื่เลยตอนนี้ให้รัฐศาสตร์เริ่มก่อนน ะ, ะรัฐปศาสนศาสตร์เนี่ยท่านอาจารย์สุรพลบอกว่าจะสอนทางกลแล้วต่อไปถ้าพระพรหมบดตบรรยายอยู่ที่ส่วนกลางนี่ท่านจะได้เรียนเหมือนกันหมดนี่คือนวัตรกรรมซึ่งอาจจะช้าหน่อยแต่มันเป็นอินโนเวชันด้านโปรเซสกระบวนการด้านเซอร์วิสด้านบริการมหาจุลามันจะต้องทางานเพื่อสังคมมีวิสาขะโลกมีเรื่องของชาระคัมภีร์ วันนี้อันเชยคัมภีร์มาเนี่ยถ้าสมัยก่อนมัวแต่มารัดรอบกว่าจะพิมพ์ก็อะไรต่างเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์มีแล้วครับท่านท่านถ่ายท่านอะไรต่างๆท่านสามารถจะแปลได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระบวนการผลิตแปลทําได้อย่างเร็วเลยพระไตรปิฎกต่างๆอักษรธรรล้านนาทั้งหลายอนุรักษ์กับว้งานวิจัยเดี๋ยวนี้ทําได้อย่างรวดเร็วเพราะมันมีเทคโนโลยีแล้วด้านบริการเดี๋ยวนี้ธรรมะเนี่ยนะท่านขึ้นเว็บไปสิผมพยายามเปิดเข้ามาในเว็บ ของแพร่เนี่ยประวัติเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเขาบอกอยู่ในระหว่างการปรับปรุงผมไม่รู้ว่าปรับปรุงมากี่ชาติแล้วจึงต้องต้องทำเรื่องให้สุรพัน์มาขอข้อมูลโดยตรงเนไม่ต้องไปมองหน้าใครแล้วผมไม่มาขายหรอกผมยกตัวอย่างใ ก, ใกล้ๆแค่นั้นเลยท่านแมネจเมนต์ Management, นวัตกรรมด้านการจัดการแล้วจะจัดการอย่างไรให้มัน ทันเหตุการณ์ผมยกตัวอย่างที่นี่คือนวัตกรรมนะหลักสูตรอภพิธรรมแล้วก็มีแล้วกรรมาฐานก็มีแล้วไซโค โ, โลจีล้วก็มีแล้วเรามาทำเป็นบุรุษไซโคเทเรพีจิตเวทหรือเป็นบุรุษไซโคโลจีนี่คือนวัตกรรมด้านผลผลิตนะครับส่วนกระบวนการนี่อยากจะพูดอย่างนี้นะครับเรียนบาลีก่อนก็เรียนแล้ว แต่ทำไมภาษาอังกฤษไม่หูไม่กดิก ท, ท, ทั้งๆที่ภาษาอังกฤษกับภาษาบาลีมันตระกูลเดียวกันมีวิพัตน์ปัจจัยเราจะต้องมีกระบวนการที่จะสอนภาษาอังกฤษแก่มหาป ร, ริญญาโดยเทียบกันนี่ที่พูดภาษาอังกฤษอยู่ไปทั่วโลกนี่ขอโทษเรียนบาลีมาก่อนทั้งสิ้นและคิดด้วยไวยากรณ์มีพิพัตน์ปัจจัยแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงไปเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยลาตินก็ง่ายนิดเดียว เพราะมัตจะกูดเดียวกันหมดเสียดายว่าทำไมมาหาป ร, ริยนเราเนี่ยสงสัยจะเบื่อบาลีท่านเพราะอะไรที่มันคล้ายๆกันอันกฤษก็ไม่เอานวันต ก, กรรมสิครับสอนอยังไงในกระบวนการด้านการบริการเดี๋ยวนี้เรามีวิทยุมีโทรทัศน์มีอินเทอร์เน็ตทาไมจะต้องมาทำตำราพิมพ์ตำราก็ด้วยราคาแพงอาจารย์ขยันผลตําราสิครับขึ้นเว็บเลยให้นิสิตอ่าน นเทศทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ขึ้นเว็บหมดลนะใช้เทคโนโลยีในการให้บริการสุดท้ายครับด้านการบริหารพยายามเรียกร้องมาสิบกว่าปีแล้วบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะติดต่อสื่อสารกันเนี่ยนะไม่ต้องใช้เปเปอร์หรอกให้มันเป็นเปอร์เลยซอฟิประชุมสภาทีนึงเอกสารเท่านี้มีใครอ่านบ้างพวกสำนักเลขาสภ า, านะเลิกได้แล้ว เอาขึ้นจอมสอเขายังทํได้เลยนี่ยมสไปก้าวหน้าก็ม่มจลอยอีกนี่เป็นกรรมการ ม, มสด้วยเ p เ r l e s s o f f ฟ c e แล้วก็ที่สำคัญทำไมได้ในมสาวเจีงสูนผัานตัวมันใหญ่สมองมันเล็กตัวใหญ่เท่าช้างห0สิบเชือกสมองเท่าสมองแมวพออุกาบาทชนโลกมันเลยปรับตัวไม่ทันมาหาจุลาระวังจะเป็นพวก ตัวใหญ่สมองเล็กนะ40สี่สิบจังหวัดมันจะศูนย์พันเพราะฉะนั้นสมองต้องโตเทคโนโลยียงไงสื่อสารถึงกันหมดเครือข่ายสมองมันคือเครือข่ายไฟฟ้าใช่ไหมมันถึงกันน่ะเส้นเส้นประสาทมันจะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไอที IT ทั้งหลายนี่คือเส้นประสาทสมอง ทำอะไรที่ไหนทั่วโลกรู้กันหมดมหาจาราจะไปมีสาขายอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้เปิดปริญญาตรีปริญญาโทเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าจะไปมอบ ป, ปริญญาที่ไต้หวันปริญญาตรีปริญญาโทเปิดอยู่ที่เกาหลีใต้ภูซานปริญญาตรีโทอ่าสีลังกาสิงคโปร์และปริญญาเอกเปิดอยู่ที่ฮังการีใครอยากจะไปประเทศเหล่านี้ติดต่อได้เลยไปเรียนฟรีเลยสีลังกาภาษาอังกฤษเกาหลีใต้ภาษาเกาหลี เปิดมาสิบปีแล้วไต้หวันภาษาจีนฮังการีภาษาอังกฤษและภาษาอังกรษแล้วก็สิงคโปร์ภาษาอังกฤษและจีนมหาจุฬามีเกอข่ายหมดเลยเราประสานสัมพันธ์เขายนระบบสมองเครือกข่ายมารุเอกวันที่28่ที่จะไปฮ่องกงไปประชุมพระที่จบปริญญาเอกทั่วโลกเนี่ยมีกี่รูปไปประชุมวันที่นั้นเพราะเจ้าวาดวัดพระองค์ใหญ่ที่สุดในฮ่องกงเนี่ยขอสมัครเป็นสถาบันสมทบมหาจุฬา เพลยงใจเขาก็จะไปจะไปหนึ่งวันแค่นั้นเนี่ยเวลาจำกัดเดี๋ยวจะต้องไปขึ้นเครื่องบินแล้วจบแค่นี้กันแล้วกัน